ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องเพื่อนพิการเรื่องนี้ไม่เชิงเป็นนิทานแต่เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามเวียดนามครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่และลูกชายทั้งสามใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งจดหมายจากทางการเรียกตัวลูกชายให้ไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม ก็ได้พากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของครอบครัวนี้ไปหลังจากลูกชายถูกส่งไปรบที่เวียดนามแล้วไม่มีวันใดที่พ่อและแม่ของเขาจะอยู่อย่างมีความสุขบางคืนพ่อของเขาต้องสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายภรรยาของเขาต้องคอยปลอบใจให้สามีของนางคลายกังวลลงทั้งทังที่ตัวนางเองก็แทบจะ ก, กลั้นน้าตาแห่งความหวาดวิตกไว้ไม่อยู่การรอคอยด้วยความทุกข์ทรมานผ่านไปวันแล้ววันเล่า กระทั่งวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผู้เป็นพ่อรีบวิ่งมารับโทรศัพท์ด้วยลางสังหรณ์ว่าน่าจะเป็นของลูกชายของเขาลางสังหรณ์ถูกต้องเป็นเสียงลูกชายของเขาจริงๆเขาดีใจมากร้องเรียกภรรยาให้มาทักทายลูกก่อนจะรับโทรศัพท์กลับไปคุยต่อตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหน mm. เขาละล่ำละลักถามด้วยความตื่นเต้นระคนดีใจอย่างสุดแสน ผมอยู่ที่ซานฟรานซิสโกอีกไม่นานเขาคงไปส่งผมที่บ้านกับพ่อลูกชายบอกพ่อของเขาน้ำเสียงร่ารเรียบผิดปกติวิสัยซึ่งอันที่จริงเขาควรจะรื่นเริงดีใจที่ได้มีโอกาสคุยกับครอบครัวอันเป็นที่รักอีกครั้งรีบกลับบ้านนะลูกพ่อกับแม่คิดถึงลูกมากเงียบไปครู่หนึ่งลูกชายจึงพูดว่าผมจะรีบกลับแต่อยากขออนุญาตพ่อสักเรื่องได้ไหมครับ อะไรล่ะพอให้ได้หมดขอแค่ลูกกลับมาเร็วๆเท่านั้นผมอยากพาเพื่อนรักของผมคนหนึ่งกลับไปด้วยไปอยู่กับพวกเราที่บ้านเพื่อนคนไหนพ่อไม่เคยรู้ว่าลูกมีเพื่อนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเขาเป็นเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันในสงครามเวียดนามครับผมกับเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดไม่ทอดทิ้งกันผมอยากให้เขาไปอยู่กับครอบครัวของเรา เพราะเขาไม่มีใครอีกแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกชายถึงเพียงนั้นผู้เป็นพ่อก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องปฏิเสธได้สิลูกพาเขามาอยู่ที่บ้านของเราแต่พ่อครับเขาไม่เหมือนพวกเรานะครับไม่เหมือนยังไงเขาพิการสงครามครั้งนี้ทำให้แขนและขาของเขาถูกตัดหมด ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคําบอกเล่านี้ทําให้ผู้เป็นพ่อนึกถึงความยุ่งยากในการดูแลคนพิการไร้แขนขาออกเป็นฉกักฉากทันทีแล้วเพียงครู่เดียวเขาก็พูดออกมาว่าแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรละลูกบ้านเราก็แค่พอมีพอกินไม่ได้ร่ำรวยถึงขนาดที่จะรับภาระเลี้ยงดูคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกหรอกนะลูกชายไม่ได้พูดอะไร ผู้เป็นพ่อกลัวว่าลูกจะเสียใจคิดว่าตนใจร้ายกับเพื่อนของลูกจึงพยายามคิดหาคำพูดที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้มาใช้ลูกคิดดูดีๆถ้าเราเอาเขามาเราก็คงดูแลเขาได้ไม่เต็มที่หรอกพอว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอย่างสถานสงเคราะห์อะไรอย่างนั้นเสียงโทรศัพท์ตัดสายไปในทันใดลูกชายวางสายโดยไม่ได้กล่าวอะไรทิ้งท้ายเขาหันไปบอกภรรยาว่า ลูกคงโกรธที่เราไม่ยอมรับเลี้ยงดูเพื่อนพิการของเขาเขาคงรักเพื่อนคนนี้มากคุณว่าเขาจะโกรธจนไม่กลับบ้านเลยหรือเปล่าภรรยาตก บ, บาสามีเบาๆพรางตอบว่าอยากกังวลไปเลยค่ะพอลูกจัดการเรื่องเพื่อนของเขาได้เขาก็จะกลับมาหาเราเองลูกมีเหตุผลพอที่จะเข้าใจความจําเป็นของเราแล้วเขาก็รู้เต็มโอกว่าพ่อกับแม่รักเขามาก คำปลอบใจของภรรยาทำให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขได้ตราบใดที่ลูกชายยังไม่กลับบ้านไม่กี่วันต่อมาในวันที่ท้องฟ้าเทาหม่นเหมือนจะนำข่าวร้ายมาแจ้งแก่ผู้เฝ้าคอยผู้เป็นพ่อก็ได้รับโทรศัพท์ทางไกลาจากตำรวจซานฟรานซิสโกให้ไปดูศพชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งทางนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลูกชายของพวกเขา ตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิตกระโดดตึกฆ่าตัวตายทีแรกผู้เป็นพ่อค้านหัวชนฝาะสบนั้นไม่มีทางใช่ลูกชายเขาเพราะลูกชายคนนี้ไม่ใช่คนคิดสั้นซ้ำยังเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตดีความคิดที่จะกระโดดตึกฆ่าตัวตายย่อมไม่อยู่ในหัวสมองของเขาแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการี่สูจศพที่ถูกต้องในที่สุด ผู้เป็นพ่อก็ยอมเดินทางไปดูศพชายผู้นั้นที่ซานฟรานซิสโกตามคําเชิญของตํารวจทว่าเมื่อไปถึงความมั่นใจของผู้เป็นพ่อก็พังทลายลงร่างไรลมหายใจภายใต้ผ้าคลุมนั้นคือลูกชายของเขาจริงๆแต่ที่ทําให้เขาแทบล้มทั้งยืนก็คือศพลูกชายของเขาไม่มีแขนและขาทําไมแขนกับขาของเขาหายไปไหน ผู้เป็นพ่อร้องอย่างตนกดวงตาเบิกกว้างทั้งๆ ท, ที่ในใจรู้คำตอบอยู่แล้วเพียงแต่พยายามหลอกตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนายแพทย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งมีความรับผิดชอบต่อศพนี้ด้วยหันมามองเขาอย่างแปลกใจแล้วพูดว่าลูกชายของคุณเหยียบกับระเบิดในสงครามเราจึงต้องตัดแขนและขาของเขาออกเพื่อรักษาชีวิตของเขาไว้แปลกจริง วันนั้นหลังจากอาการดีขึ้นเขาบอกผมว่าจะโทรศัพท์ไปบอกเรื่องนี้กับพ่อและแม่ของเขาแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ทราบเรื่องละ่ะผู้เป็นพ่อได้ฟังดังนั้นก็พันหมดเรียวแรงสุดกายลงไปนั่งกับพื้นข้อสานิฐานที่คิดไว้ยิ่งกระจ่างชัดเพื่อนพิการที่ลูกชายบอกไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกชายของเขาเองลูกของเขาตั้งใจจะบอกเพื่อรับฟังคำต้อนรับที่อบอุ่นจากพ่อแม่ แต่เขากลับผักใสให้ลูกไปอยู่ที่อื่นลูกผมไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกแต่เป็นคำพูดไร้หัวใจของผมเองที่ฆ่าเขาเขาคำรามลั่นห้องปล่อยน้ำตาให้ไหลหลากเหมือนจะขาดใจแต่อนิจาถึงร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่อาจเรียกชีวิตลูกชายคืนมาได้และต้องเสียเขาไปตลอดกาล<ๆ>เธอทั้งหลาย เธอเป็นคนหนึ่งที่เว้นความช่วยเหลือไว้ให้เฉพาะคนที่เธอพอใจอยากจะช่วยหรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าคนที่เขารอคอยความช่วยเหลือแต่กลับถูกปฏิเสธเพียงเพราะแลดูไม่มีค่าพอสำหรับความช่วยเหลือนั้นเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนเรื่องทานองนี้คงไม่เกิดขึ้นกับใครบ่อยนะักแต่มันทำให้เรารู้ว่าความเจ็บปวดของการถูกทอดทิ้งมีอยู่จริง mm hmm. เธออาจจะเลือกที่รักมากที่ชั้น ยื่นมือเข้าช่วยเฉพาะคนที่เธอคัดสรรแล้วเช่นคนที่เธอรู้สึกดีดีด้วยคนฉลาดบาดเปื่องคนเข้าท่าคนที่ให้ผลตอบแทนเธอได้ในอนาคตคนที่เธอคิดารัทธและว่ามีคุณค่าพอสำหรับความช่วยเหลือต่างๆถ้าอย่างนั้นก็คิดต่อได้เลยว่าจะมีคนอีกมากต้องร้องไห้เพราะความคิดแบบนี้อย่าลืมสิว่าไม่ว่าใช่กาเนิดรูปกาย หรือลักษณะของคนเราจะแปลกแยกแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือหัวใจที่ถวิลหาความเอื้ออาทรเท่าเท่ากันคนละหนึ่งดวง